พวกเราบางคนภาวนานะแต่ว่าไม่ค่อยซื่อตรง ก, ก็มีนะคนมันหลากหลายนาน า, น า, นานชนิดคือใจที่ซื่อตรงนั้นมันจะง่ายกับธรรมะใจซึ่งมันไม่ซื่อตรงเพราะมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมากๆว่าเรียนธรรมะยากธรรมะนี้เป็นเครื่องขัดเราตัวเองค่อยๆลดละความเห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็ค่อยๆ ดูไปยันเป็นฉลาดคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่ฉลาดนะโง้ไม่รู้หรอกว่ายึดถือตัวตนเอาไว้แล้วทุกถ้าปล่อยตัวตนออกไปไดนะ้ความทุกข์ก็ลดลงลดลงพระอราหันต์ไม่ได้เป็นมนุษย์หลาดเลยคนชอบไปวาดภาพพระอราหันต์เหมือนคนพิการกระดูกกดิกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผิดปกติไปหมดเลยฮอร์โมนก็ผิดปกติอะไรอะไรก็ผิดปกติชอบคิดอย่างนี้นะ จริงก็คือในทางร่างกายเนี่ยปกติเหมือนคนธรรมดาเลยแต่จิตที่มันฝึกดีแล้วจิตที่มันฉลาดแล้วมันเห็นความจริงของกายของใจซ้ําแล้วซ้ําอีกมันรู้เลยกายในี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ามันรู้ความจริงอย่างนี้นะมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไม่ยึดกายยึดใจก็ไม่มีภาระที่จะต้องเดือดร้อนกับกายกระใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะก็ะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ยึดถือกาย จิตใจนะจะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ไม่ดีบ้างนะจิตใจก็ไม่กับเพื่อหมั่นหมไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจก็เป็นอิสระจิตใจของคนที่ยังฝึกไม่พอนะไม่มีอิสระภาพพอถูกกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วยินดีบ้างยินร้ายบ้างพอยินดีนะก็ดิ้นรนสแสวงหาดิ้นรนรักษา ยินร้ายก็ดินรนขจัดปัดเปล่าดิ้นรนต่อต้านขัดขืนอย่างความทุกข์ในชีวิตเราปัญหาในชีวิตเราผ่านเข้ามาเนี่ยเราไม่พอใจอยากให้หายไปต้องดิ้นรนแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาติหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านมาเราก็ผ่านไปกระทั่งชีวิตเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันไม่มีฐานะไม่มี ถ้าเห็นได้อย่างนี้นะไม่ว่าจะเจออะไรจิตใจก็ไม่หวั่นไหวอย่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่หวั่นไหวนะจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่หวั่นไหวจะสมปรารถนาจะไม่สมปรารถนานะใจก็ไม่หวั่นไหวไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเห็นทุกอย่างนะเป็นปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆทุกอย่างเหมือนสิ่งที่ว่างเปล่าเป็นปรากฏการณ์ที่ว่างเปล่าเทนั้นเพราะมันมีมาชั่วคราวแล้วมันก็หายไปหมดเลยมันไม่มีหรอกสิ่งที่จริงจังที่สุดในชีวิต อย่างบางทีเวลาเราเผชิญปัญหาเรารู้สึกสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยชีวิตเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้อย่างเวลามีความรักนะรู้สึกคนนี้เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้คนคนเนี้ยถ้าเราขาดแล้วเราไม่มีความสุขเลยวันหนึ่งขาดเข้าจริงๆก็อยู่ได้นะไม่ตายหรอกบางคนก็มีตําแหน่งหน้าที่ใช่ไหมเคยใหญ่พอถึงตุลากเกษียณ น, นะนีน่ี่วันนี้สามสิเอ็ดตุลามีคนกเกษียณมาหนึ่งเดือน คงมีคนตายไปบ้างแนละ้ชาวเขตายเคยใหญ่รู้สึกตำแหน่งหน้าที่นะั้นเป็นของสําคัญนะขาดไม่ได้ความจริงขาดได้ทุกอย่างนะั้นไม่ใช่ว่าสําคัญที่สุดหรอกทุกอย่างมันมาแล้วไปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรหรอกที่เราขาดมันไม่ได้อย่างพระเยซูสอนดีนะบอกอย่างบางคนต้องการเสื้อผ้าเห็นไหมเห็นว่าเสื้อผ้าสําคัญท่านสอนร่างกายสําคัญกว่าเสื้อผ้าชีวิตสําคัญกว่าอาหารสอนดี นักปรารถนทั้งหลายก็มองคล้ายๆกันนี่ถ้าไม่ยึดกระทั่งร่างกายไม่ยึดกระทั่งจิตใจนะโอ้โหมันมีอิสระจริงๆนะอะไรเกิดขึ้นในโลกจะแตกต่อหน้าตาตานะใจก็ไม่หวัน่นไหวหรอกมีความสุขเงั้นธรรมะนะยิ่งเราฝึกมากๆนะเราได้รับความสงบมีความอบอุ่นใจนะจิตใจอบอุ่นเหมือนลูกมีพ่อมีแม่ไม่ว้าวเวไม่เงยียบเหงาหรอกมีธรรมะอยู่ด้วยจิตใจมีความสุข สมัยก่อนหลวงพ่อภาวนายังไม่ได้เรื่องนะทําแต่สมถนะตอนเป็นวัยรุ่นนะรู้สึกเงียบเหงานะบางทีก็เงียบเหงานะคนเราพอเงียบเหงาต้องอยากมีแฟนใช่ไหมต้องดิน้นรนต้องทำโน้นทำนี้บางคนก็ต้องไปคบกับเพื่อนชวนกันเที่ยวเล่นเฮฮาไปให้ลืมไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตเงียบเหงาเดี๋ยวนี้ภาวนามาเรื่อยๆนะชีวิตไม่เคยมีคําว่าเงียบเหงาเลยยิ่งอยู่ตามลําพังนะยิ่งมีความสุข ยังเจอคนเยอะๆอย่างงี้นะเหนื่อยนะไม่เจอดีกว่าไม่เจอสบายสบายทางทางร่างกายนะ ใ, นใจก็เหมือนกันนะเห็นว่างๆไม่มีอะไรเห็นพวกเราก็เหมือนเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะีต้นไม้บางต้นก็เพิ่งงอกบางต้นงอกมานานแล้วก็งอมไป เ, นะ <c oughs> <c oughs> เห็นเหมือนต้นไม้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคำว่าเหงาเลยนะไม่มีคำว่าว wow, ่าวเบอะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะมีแต่ความสุข จิตใจที่ฝึกไปเรื่อยนะมีความสุขที่สุดเลยฉะนั้นอยู่ที่เราจะฝึกเอาเองธรรมะเป็นของกลางนะไม่ใช่ของพระของแม่ชีของหลวงพ่ออะไรเงี้ยไม่ใช่ธรรมะเป็นของกลางเป็นสัจธรรมเป็นความจริงไม่มีเจ้าของหรอกธรรมะเพียงแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนแรกที่ค้นพบมาเราก็ยกย่องในฐานะที่ท่านเป็นผู้คน้คนพบแล้วอุตษาหค้นพบแล้วอุตษามาบอกเรา ก่อนหน้าท่านก็มีผู้คนพบอยู่นะพวกพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็คนพบแต่ท่านไม่ได้บอกใครที่ท่านไม่ได้บอกใครไม่ใช่ว่าคงไม่ถึงขนาดไม่มีฝีมือหรอกเพราะอย่างพระปัจเจกก็เก่งนะเก่งกว่าพระสารีบุตรอีกคงไม่มีคนที่คู่ควรที่ท่านจะบอกมากกว่าถ้ามีคนที่คู่ควรจะบอกท่านคงบอกเหมือนกันเลยเพราะนั้นธรรมะเป็นของกลางนะธรรมะไม่เคยหายไปไหน อยู่ที่พวกเราจะเข้าใจมันหรือเปล่าเราเข้าใจธรรมะได้ชีวิตเราก็มีความสงบสุขมีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขในโลกนะั้นชั่วครั้งชั่วคราวความสุขแบบบู๊บบู๊บบ้าบ้าความสุขแบบพึ่งคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นความสุขแบบไม่มีอิสรภาพไม่เป็นตัวของตัวเองในใจที่มีธรรมะนะอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะอยู่กับคนหลายคนก็มีความสุขเหมือนๆแต่อยู่หลายคนมันเหนื่อยนะ อยู่คนเดียวสบายสบายงัเราภาวนาแนละ้วนะวันหนึ่งเราจะไม่เงียบเหงาหรอกที่จะอยู่ลําพังชีวิตในอนาคตจะเต็มไปด้วยความเงียบเหงานะคนที่เกิดมานานๆอย่างหลวงพ่อจะรู้เลยวนะ่าแต่ก่อนเรามีครอบครัวที่ใหญ่ในบ้านนะมีปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอามีหมดเลยเจ็ดชั่วโคตอยู่กันอย่างนะีนะ้พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่พ่อไปทํางานแม่อยู่บ้านอนยะ่างนี้ แม่ทำงานบ้านปู่ย่าตายายเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยทุกคนมีหน้าที่เพราะทุกคนมีหน้าที่นะทุกคนมีความสําคัญทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะมีความเชื่อมั่นมีความภูมิใจในตัวเองทุกคนมีความสุขได้จะยากดีมีจนก็มีความสุขอยู่มานานๆเดี๋ยวนี้สังคมเราเหมือนฝรั่งนะฝรั่งลําบากแก่ๆแล้วอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุยกับมาคุยกับแมวไปวันหนึ่งวันหนึนะชีวิตเงียบเงามากนะ พวกเรากำลังเดินรอยตามข้อเหมือนกันคนแก่ๆตอนนี้ถูกทิ้งอยู่บ้านทิ้งอยู่เฉยๆนะไม่มีกิจกรรมอะไรทำแล้วลูกหลานก็ไม่มีจะเลี้ยงลูกหลานไปอยู่โรงเรียนอนุบาลหมดแล้วคนแก่ไม่มีความหมายเลยเป็นคนซึ่งไม่มีคุณค่าแล้วเพราะไม่มีก็ได้แต่ก่อนทุกคนมีความสำคัญนะทุกคนมีหน้าที่แก่ขนาดไหนก็ยังมีหน้าที่อยู่เดวนี้พอแก่ๆอยู่บ้านเนะี่ยไม่มีคุณค่าแล้ว คนไม่เห็นความสําคัญว่าเขาไม่เห็นความสําคัญไม่สนใจยิ่งเงียบเหงายิ่งว้าเวรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเนะี่ยยิ่งเฉาหนักขึ้นเรื่อยๆชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นนะทุกวันนี้คนแก่อยู่บ้านคนเดียวนี้ย่อะแยะไปหมดเลยถ้ายังอยู่กันสองคนผัวเมียตาใหญ่เลยมียังพอไม่เหงามากหลังจากนั้นยังเหงาเพื่อนเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้แนละ้สังคมมันเป็นอย่างนี้ สังคมมันพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอะไรขึ้นมาจนทุกคนออกจากบ้านไปหมดแล้วเด็กก็ไปทางหนึ่งนะพ่อแม่ก็ไปทางหนึ่งเด็กก็ไม่มีความอบอุ่นไม่เฉพาะคนแก่ที่ไม่อบอุ่นนะเด็กก็ไม่มีความอบอุ่นเด็กก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนอยู่บ้านมันก็เปิดอินเทอร์เน็ตนะเพราะมันเหงาขาดความอบอุ่นมันในชีวิตในอนาคตนะัเป็นชีวิตที่รันทดมากเลยนะเงียบเหงาว้าเวสลอดไปยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้น เรต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราเราภาวนาเป็นนะเราอยู่คนเดียวมีความสุขมากเลยนี่เมื่อวันวันจันทร์วันอังคารหลวงพ่อไปเทศที่พัทยาไปเจอคนแก่คนหนึ่งนะเฝ้าบ้านแต่เดิมเฝ้าบ้านก็เฉาเฉานะนี่เพื่อนบ้านเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังพมีความสุขมากเลยแต่ก่อนนะอยู่บ้านไม่ได้นะพอลูกหลานไปหมดแล้วนะปิดประตูบ้านย่องย่องไปคุยกับบ้านโน้นบ้านนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนนะอยู่บ้านมีความสุขอ่ะมีสติจเจริญสติไปเรื่อยๆเขารู้สึกชีวิตของเขามีค่าชีวิตเขามีเป้าหมายชีวิตถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันเดินไม่ถูกเรื่องลนะมันว้าวเวและนี่เขารู้ว่าชีวิตเขามีเป้าหมายชีวิตเขาคือธรรมะเขาจะต้องพัฒนาจิตใจของเขาให้ไปถึงความพ้นทุกข์ให้ได้เขามีเป้าหมายของชีวิตคนที่มีเป้าหมายของชีวิตนะยังมีกิจกรรมที่ให้ทําอยู่ อยู่คนเดียวก็ยังมีกิจกรรมที่ทําคือการพัฒนาจิตใจตนเองนั่นไม่เหงาหรอกเพราะมีงานทำนั่นเราต้องฝึกนะวันนึงพวกเราต้องเผชิญแล้วลนะ่ะอย่านึกนะว่ามีลกูกมีหลานมันจะเลี้ยงอะ่ะไม่ต้องเลี้ยงมันตลอดชาติก็บุญแล้วลนะ่ะนั่นเราต้องเตรียมตัวของเราเองไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะนะธรรมะเป็นเพื่อนเราตั้งแต่ปัจจุบันเลยเป็นเพื่อนเราไปถึงอนาคตนะเป็นเพื่อนเราได้ตลอดไปคนอื่นเป็นเพื่อนเราไม่ได้จริงหรอกนะ นั่นเรามีสตินะเวลาอยากได้ธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีสองส่วนนะคือรูปธรรมนะคือร่างกายนี้ก็นา ม, มาทำนา ม, มาทำคือพวกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเวลาที่เราเรียนธรรมะเราก็เรียนลงในรูปธรรมนา ม, มาทำรู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจนี่เองเรียนรู้ลงไปที่กายที่ใจนี่เอดูไปจนกระทั่งเห็นมันว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรจากความเป็นตัวตน ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นวัตถุาธาตุเป็นก้อนาธาตุก้อนดินยืมแต่าจากโลกโชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็ต้องคืนเจ้าของอะไรย่างเงี้ยจิตใจก็เป็นาธาตุนะเป็นาธาตุรู้าธาตุของเราไม่ใช่าธาตุแบบฟิส เ, เคมีนะาธาตุของเราหมยายถึงสิ่งซึ่งมันทรงตัวอยู่ได้เองนะอย่างาธาตุรู้มันทรงตัวอยู่มันมีอยู่มันก็ทำงานของมันไปมันทำหน้าที่ของมันไปมันทำหน้าที่รู้อารมณ์ไป นี่รู้ไปแล้วถ้าขาดสติขาดปัญญารู้แล้วก็ไปยึดอารมณ์ไปยึดแล้วก็ทุกนะถ้ามีสติมีปัญญาแก่รอบรู้อะไรก็ไม่ยึดอันนั้นมีความสุขนะจิตใจมีแต่ความสุขล้นๆเลยยิ่งฝึกแล้วมีความสุขมากไม่เคยเห็นความสุขอะไรมากเท่าความสุขของธรรมะเลยแต่ก่อนนะก่อนบวชหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่สุบัติไปหลายทีไปหาท่านบ่อยๆ่ตั้งแต่สิ้นครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ละ ไปหาหลวงปู่สุวัตเนี่ยประจําท่านภาวนาดีเห็นท่านนะท่านบางทีท่านก็นั่งอยู่นะไม่สบายแต่เดิมก็แข็งแรงเดียวันหนึ่งนั่งรถตู้ไปรถคว่าแล้วคนหลวงปู่พิการไปเลยเดินไม่ได้เป็นอามพาตนะไปไหนก็ต้องนั่งใส่รถเข็นไปนะช่วยตัวเองไม่ได้แนละ้วเดืบพลิกซ้ายพลิกขวายังไม่ได้ต้องให้คนช่วยกันพลิกนะไปเจอท่านนะบางทีท่านเนะี่ยนั่งอยู่ ข้างๆท่านะมีต้นไม้มีไก่ป่ามีอะไรดูท่านก็สดชื่นนะดูท่านสดชื่นอย่างเลยท่านบอกโอ้สุขแท้นอ่สุขแท้น อ, นอ่อย่างเงี้ยแบบท่านสุขแท้นอ่ท่านเปน็นอมภาพนะกระดุกกระดิกไม่ได้นะท่านสุขแท้น้อ่เรากระดุกกระดิกได้โอ้ทุกนอก่มันไม่เห็นจะสุขแท้นอ่อย่างท่านเลยเนะี่ยใจที่มันฝึกดีแล้วนะไม่ว่าจะเกิด อ, อะไรขึ้นนะมีความสุขอยู่ได้ เนี่ยเราเรียนนะเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจเรียนลงไปเรื่อยจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายยึดถือใจเห็นเลยกายนี้ใจนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนอย่างเราแบ่งเขาแบ่งเราได้ใช่ไหมมันก็มีเราขึ้นมาก็มีเขาขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมานั้นก็ต้องต่อสู้แย่งชิงกันตามธรรมชาติของสัตว์แต่ว่าพอ ไม่มีเรานะมันก็ไม่รู้สึกมีเขานะมันจะเกื้อกูนกันนะไม่เห็นแก่ตัวมีชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมัยก่อนนะหลวงพ่อกาเรียนรัฐศาสตร์เราอยากหายสังคมที่เป็นยูโทเปียสังคมอุดมคติสังคมมาร์กซิสจะเป็นอุดมคติไหมจะเป็นยูโทเปียไหมไปไปมาๆนะเรารู้จักเยอะเลยพวกระดับนําของพรรคหลวงพ่อนี่เรียนลัทธิคอมนิตจัก กรมการเมืองด้วยซ้ําไปนะจากพวกโพลิสบิวโลประกอบเรียนไปเรียนไปเราค่อยๆดูไปมันไม่ใช่นะคนแต่ละคนนะั้นมันเจือด้วยความเห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในสังคมอะไรนะมันก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวในสังคมของมาร์กซิสก็ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ไปอยู่ตามวัดไปดูตามวัดสังคมในวัดก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว อย่างง่ายๆเลยนะถอดถึงเวลาตักอาหารเนี่ยบางที่นะพระหัวแถวรีบเอาไว้ก่อนเลยของอร่อยนะเอาไว้เยอะเลยนะกินไม่หมดนะีไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวท้ายๆแถวไม่มีเนะี่ยบางทีพระตักหมดเลยแม่ชีไม่มีนะเนี่ยวัดกระทั่งวัดหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาก็เคย ว, ว่าว่าพระตักอาหารหมดเลยไม่เหลือถึงแม่ชีไม่เหลือถึงคนในวัดทั้งๆ ท, ที่คนเหล่านี้เป็นคนทํางานพระไม่ได้ทํางานพระแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิใช่ไหม พอเกิดผลประโยชน์แล้วพวระรวบไม้หมดเลยนี่ก็คือความเห็นแก่ตัวหลวงปู่เทศทั้งเคยสอนนะประทับใจหลวงพ่อมากเลยท่านบอกว่าสมัยพุทธกาลเคยมีเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งะที่ทําขนมเบื้องจำได้ไหมเศรษฐีคนนี้นะ่ารวยมากเลยแต่ไม่ยอมกินอะไรนะวันหนึ่งอยากกินขนมเบื้องมากเลยนะจะให้เมียทำนะก็กลัวเมียจะกินด้วยวกลัวคนอื่นจะกินด้วยมันจะสิ้นเปลืองแนละ้วอดจนกระทั่งโซเลยนะ ใจคิดถึงแต่ขนมเบื้องอยากกินมากแล้วก็ไม่ได้กินวันหนึ่งทนไม่ไหวนะเมียก็ถามบกแล้วก็ท่านเป็นอะไรท่านโทมลงโทมลงนี่ก็อึกอักอึกอักแนละ้วเมียซักอยู่นานเลยบอกอยากกินขนมเมียบอกว่าสบายเลยเดี๋ยวนี่เรียกคนใช้มาเลยนะขนเตาคนเลไรมาเรามีข้าวต้งเยอะแยะบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดทําอย่างนั้นสิ้นเปลืองช่วยทําสักอันหนึ่งได้ไหมน้อยๆ น, นะขอกินคนเดียวนะเธออยา ก, กินด้วยนะ แล้วขึ้นไปทำนะบนบ้านชั้นบนสุดไม่ไปทำนะกะว่าจะกินคนเดียวแนละ้วตานทำเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนนี้มีอุปนิสัยจะได้เป็นพระโสดาบันเศรษฐีชี้หนึดเนี่ยท่านเลยใช้พระโมกขลาให้ไปทรมานพระโมกขลาท่านทำอีท่าไหนก็ไม่รู้แหละท่านไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นบนนะไปยืนนะให้นี่กลุ้มใจตายแล้วอุตสาห์นี้มาบนนี้พระยังมาอีก กินไม่ลงนะพระมอมงสั่งเมียอ่ะหยิบให้ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งเมียหยิบขึ้นมานะมันติดขนมมันติด ก, กับมาทั้งถาดเลยนะไอ้นี่ดึงเ้เอาไปอันเดียวนะดึงที่เหลืออย่างนดึงดึงก็ไม่หลุดนะในที่สุดดึงซะเหนื่อยเลยเหนื่อยมากๆนะหมดความอยากกินแล้วเอาไปๆอาไปเสร็จแล้วหลวงพ่อจำไม่ได้ถัดจากนั้นทนำะมีท่าไหนรพระโมคคลาานียท่านเอาขนมไป ให้พระพุทธเจ้ารู้สึกตานี่แกตามไปด้วยทําไมตามไปด้วยก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วปรากฏว่าพระเจ้ทาท่านสามารถแบ่งขนมเนี่ยนะในในตำราบอกว่าขนมนี้เป็นอัศจรรย์มากเลยแจกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดแจกทั่ววัดแล้ยังไม่หมดเลยนี่หลวงปู่เทศท่านเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาท่านบอกว่าที่วัดเราก็ไม่หมดเหมือนกันนะถ้ามีขนมเบื้องหนึ่งแผ่นนะต้องกินให้ได้ทั่ววัดนะท่านแบ่งท่านแห่งคุณแม่น้อยก็เคยเล่าอยู่กับหลวงปู่เทศ แม่ชีน้อยนะบอกสมัยก่อนนะ่าจนมากเลยที่วัดแม่น้อยไปเก็บหน่อไม้เก็บหน่อไม้มานะมีปลากระป๋องอยู่หนึ่งกระป๋องเนะีเลี้ยงพลาได้ทั้งวัดนะเอาเอาปลากระป๋องละลายน้ำนะผัดกับหน่อไม้เนี่ยสังคมซึ่งมันไม่เห็นแก่ตัวนะมีน้อยๆก็อยู่กันได้แต่สังคมอย่างนี้มันไม่มีจริงนะอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะคนส่วนใหญ่มันมีกิเลสเราไม่สามารถทําสังคมใหญ่ๆ ใ, ใ, ให้เป็นสังคมอุดมคติได้ แต่ในครอบครัวเราเนี่ยพอทําได้คนมันไม่มากนักนั่นเราภาวนานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงแล้วคนในบ้านของเราเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพราะเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เขาสนใจภาวนาคนในบ้านเราภาวนาเนี่ยมันเกิดครอบครัวในอุดมคติขึ้นมาได้แล้วครอบครัวของคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคือครอบครัวของอุดมคติสังคมของคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นคือสังคมอุดมคติ ตรใดที่คนยังเห็นแก่ตัวอยู่สังคมอุดมคติจะไม่มีแล้วคนถ้าไม่มีธรรมะคนจะต้องเห็นแก่ตัวนี่เป็นธรรมชาติเลยะจะต้องเห็นแก่ตัวเพราะนั้นเราฝึกจิตใจของเรานะโดยส่วนตัวเราก็มีความสุขแนละ้วคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมันลดลงนะอย่างตอนงานกรติบนะหลวงพ่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วอยู่ตั้งแ80ดสิบมั้งถูพื้นตลอดเวลาเลยถูเนี่ยผู้หญิงคนนี้แหละ นะชื่อรูทนี่แหละทางานทำงานนะไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยนะใครจะเห็นใครจะไม่เห็นไม่สนใจหรอกนะได้ทำรู้สึกได้ทำสิ่งซึ่งมีประโยชน์นะี่นี่เป็นเป็นตัวอย่างนะภาวนามันไม่เห็นแก่ตัวไม่เหมือนบางคนนะภาวนาแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่เอาเปรียบเพื่อนอนะไรเงี้ยเวลาทำงานด้วยกันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะ เอาเปรียบเลือกก็ต้องเลือกงานสบายไว้ก่อนงานลำบากไม่เอาอะไรเงี้ยงั้นอยู่ที่ใจเรานะถ้าเราอยากสร้างสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขเนะี่ยทุกวันนี้สังคมเราร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดล้วมันมีแต่คนเห็นแก่ตัวแค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอยากเป็นนายกเลยเนะี่ยมันทําบ้านเมืองยุ่งได้นะอีกคนหนึ่งก็อยากเป็นเหมือนกันเลยอยากหลายคนเนึ่ยตตีกันสิถ้าอยากคนเดียวก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่มันมีอยากหลายคนงั้นทุกวันนี้มันยุ่งก็เพราะความเห็นแก่ตัว ถ้าเราเรียนรู้ความจริงเราเห็นว่าตัวเราไม่มีมันเห็นแก่ตัวไม่ได้จริงๆตัวเราไม่มีนะมันมีขึ้นมาเพราะความสำคัญผิดว่ามีตัวเราในความเป็นจริงไม่มีหรอกร่างกายนี้เป็นตัวเราตรงไหน <c oughs> เป็นวัตถุนะเป็นกอนธาตุนะไม่นานก็ต้องคืนเจ้าของต้องคืนให้โลกไปร่างกายนี้ก็ของโลกนะจิตใจก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีเจ้าของ แังเกตดูสิจิตใจเราคิดว่าจิตใจเป็นของเราเหรือเราสั่งได้ไหมสั่งให้จิตใจมีความสุขมันก็ไม่มีห้ามไม่ให้มันทุกข์ก็ห้ามไม่ได้หมสั่งไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมันก็จะโลภมันก็จะโกรธมันก็จะหลงมันมีแต่ของบังคับไม่ได้จริงนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนี่เราเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจนะวิธีเรียนรู้กายรู้ใจสอนทุกวันเลยมีสติ นะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเวลาเรามีสติเราจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงค ว, วามมีอยู่ของใจเวลาเราขาดสติเรามีกายเราก็ลืมมันเรามีใจเราก็ลืมมันนั้นอันแรกเลยมีสติมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจอย่ า, ใ ห, ใ, ยาให้ใจลอยถ้าใจลอยไปก็ใช้ไม่ได้พอมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะจนมันอัตโนมัติมันรู้สึกได้เองโดยไม่ได้เจตนาตัวนี้สาคัญมาก ถ้าอย่างเจตนารู้สึกอยู่เนะยังมีโลภะเจตนายังมีลวโลภความโลภเจืออยู่นะจะยังใช้ไม่ได้จริงแต่เบื้องต้นก็ต้องจงใจดูไปก่อนมีโลภะเจตนาคอยสังเกตคอยรู้คอยดูไปจิตนั้นเป็นอนัตตา ก, ก็จริงสั่งไม่ได้ก็จริงแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินเพราะฉะนั้นจิตฝึกได้ถ้าจิตเคยชินที่จะหลงมันจะหลงตลอดเวลาถ้าจิตเคยชินที่จะรู้นะมันก็จะรู้ตัวขึ้นมา เราพยายามฝึกจิตให้เกิดความรู้สึกตัววิธีที่จะทาให้จิตรู้สึกตัวนะก็คือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันความโลภความโกรธความหลงหายไปก็รู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์หายไปก็คอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ทันร่างกายหยุดนิ่งก็คอยรู้ทันคอยรู้สึกรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในกายรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆหัดรู้ไป ทีแรกก็รู้บ้างเผลอบ้างเวลารู้ก็ต้องจงใจรู้ห้ามมันไม่ได้นะนี่พอรู้ไปรู้ไปจนในทั้งจิตมันชินที่จะรู้คราวนี้เราไม่ต้องจงใจรู้แล้วมันรู้อัตโนมัตินะเช่นใจลอยอยู่นะหลวงพ่อเคยฝึกพอใจลอยอยู่เราเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเราเก้าวขยับเท้านะจะไปคุยกับเพื่อนนะพอเท้าเคลื่อนไหวพุเรารู้สึกตัวแล้วเมื่อกี้หลงไป เมื่อกี้ลืมตัวเองลืมกายลืมใจเมื่อกี้ใจวิ่งข้ามถนนไปละตัวยังไม่ข้ามแต่ใจข้ามไปแล้วนี่เรารู้ทันขึ้นมางั้นเราหักรู้สึกตัวไปเรื่อยนะจนกระทั่งวันหนึ่งสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นไม่มีความจงใจที่จะรู้รู้โดยไม่ได้จงใจนี่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเวลาที่รู้อารมณ์อย่าถลําลงไปรูนะ้รู้อยู่แบบคนวงนอกดูแบบคนมองนอกอย่าให้จิตถลําลงไปรู้ จิตที่ถลำลงไปรู้อารมณ์ไปเพ่งอารมณ์ไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เป็นการทําสมถะทั้งสิ้นจะรู้กายนะจิตถลำไปเพ่งกายก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาจิตจะทํำวิปัสนาได้นะจิตต้องทําตัวเป็นแค่คนรู้คนดูเท่านั้นเองจิตทําตัวเป็นผู้สังเกตการเป็นอ b เ e r v e r เป็นผู้สังเกตการเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวสติะระลึกรู้กายจิตเป็นแค่คนดูมันจะเห็นว่ากายที่ถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอก ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงผ่านเข้ามานะจิตมันเป็นคนดูอยู่เนมีสติมีความตั้งมั่นสติระลึกรู้ความโลภความโกรธความหลงที่ผ่านเข้ามาจิตใจมีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเหมือนคนดูละครเหมือนคนดูฟุตบอล ไม่ถล่มลงไปในสนามบอล น, นะไม่สนามไปในเวทีละครไม่กระโดดลงขึ้นไปในเวทีคอนเสิร์ตเป็นแค่คนดูอยู่ห่างมันจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นการที่เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะแล้วก็ร่างกาย้าอยู่ห่างๆไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปผ่านมาผ่านไปนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก ใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจที่สติไประละรึกรู้นั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นซ้ําๆหน้าวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงไม่ใช่การสะกดจิตให้เชื่อแต่จิตมันยอมเชื่อเพราะมันเห็นความจริงซ้าแล้วซ้าเล่าว่าตัวเราไม่มีหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนะความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อะไรไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้วันหนึ่งที่ใจยอมรับความจริงนะั่นแหละ จะรวมเข้ามาแนะล้วตัดสินความรู้มีกระบวนการแห่งการตัดสินความรู้เรียกว่าอาริยมรรคอริยมรรคเมื่อเกิดแล้วเนี่ยกิเลสตัวใดที่ถูกอริยมรรคทาลายแล้วจะไม่คืนฟื้นคืนมาอีกเลยขาดสะบั้นไม่มีอีกพอเราเป็นพระสโสดาบันเกิดอริยมรรคแล้วเป็นพระสโสดาบันแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราแม้แต่เงาของความเป็นตัวเราในใจก็ไม่มีนะจะไม่มีความรู้สึกเป็นเราอยู่เลยในกายในใจ น, น, น, นี้เนี่ยมันจะค่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลย ความทุกข์จะหายไปอย่างมหาศาลเลยนะเพราะตัวเราไม่มีหรอกเอาไปแทนข้าวนะนิมนต์เลยครับ